สวดมนต์ขอพอรจะอ่อนแอสวดมนต์ถวายพรจะเข้มแข็งถ้าจิตใจดีมีชีวิตปกติสุขการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนการเอามงคลเข้าตัวรู้สึกว่าเหนือหัวมีความสว่างปกคลุมปัญหาคือเมื่อจิตใจย่ำแย่ชีวิตกำลังเป็นทุกข์การขอพอรจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัดเป่าเรื่องเลวร้าย อาจกลายเป็นเหตุให้น้อยใจดูหมิ่นดูแคลนหรือกระทั่งผูกใจเจ็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาได้ง่ายๆเพราะส่วนใหญ่ชีวิตไม่เป็นไปตามพรใครอาเก็บสถิติไหว้เจ้าขอพอรให้ปัดเป่าทุกภยัยต่อให้เป็นแหล่งที่ร่หลือว่าคลั่งแค่ไหนจะพบว่าหนึ่งในสิบในร้อยหรือในพันเท่านั้นที่ขอแล้วได้ตามคาขอเพราะประจวบเหมาะ ถึงเวลาที่บุญเก่าให้ผลหรือบุญใหม่เข้าท่าพระพุทธเจ้าสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาใครขอพอรท่านก็ตรัสว่าเราตถาคตเลิกให้พรนานแล้วเพียงแต่ประธานอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุเจริญพรได้เมื่อชาวบ้านขอตามธรรมเนียมที่สืบสืบกันมาหากทุกเรื่องเงินหากว้าวุ่นเรื่องความรัก และสวดมนต์ขอให้รวยขอให้เจอคู่ลึกๆคุณจะออกห่างจากความเชื่อแบบพุทธที่ว่าสัตว์โลกย่อมเ ป, เป็นไปตามกรรมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยิ่งสวดจิตใจจึงยิ่งอ่อนแอขอแบบพุทธคือขอตามพระพุทธเจ้าขอให้พ้นทุกภายในแม้ทุกภายนอกยังร้องควานอยู่ก็ตาม อแบบพุธคือขอให้มองว่าการสวดมนต์ไหว้พระเป็นบุญชนิดหนึ่งซึ่งบุญที่ได้จากการสวดมนต์แท้ๆคือการมีใจนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อใจสว่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบพุทธก็เท่ากับน้อมเอาพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเราทําให้เรามีส่วนแห่งความว่างจากทุกขแบบเดียวกับพระองค์ การว่างจากทุกอย่างที่สุดคือการเลิกคาดหวังอย่างที่สุดเมื่อไม่หวังรางวัลจากการสวดมนต์แต่สวดแบบให้ความเคารพสวดแบบช่วยให้ระลึกถึงพระธรรมคำสอนที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทั้งกรรมเก่าที่ให้ผลเป็นดานเกิดรวมทั้งกรรมใหม่ที่ส่งให้ตนได้ที่พึง่งหรือขาดที่พึง่งอย่างนั้นใจคุณจะสุขสว่าง มีกำลังมีความเข้มแข็งแบบพุทธพยายามหาที่สุดทุกข์ให้ตนอย่างถูกต้องราวกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบันดาลให้ตนพ้นทุกข์เสียเอง